ตระนตรายกราบบูชาครูบ า, าจารย์นังแต่หลว ง, งพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอแสดงความก ร, รบกับอย่างพระาารราอาจารย์ไบสารครูบาจารย์พันเตเพื่อนสาธรรมิกจเจริญพรมายัางแม่ชีบาสุบาสิกาทุกท่านก็นั่งกันตามปกติเนาะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลา ที่เราได้ร่วมกันได้ทําภารกิจสําคัญที่จะร่วมกันส่งหลวงพ่อคำเขียนคืนสู่ธรรมชาติซึ่งอันนี้ก็เป็นภารกิจที่เราได้ร่วมกันทำํำซึ่งตัวพระพุทธธรรมเองก็รู้สึกชื่นชมกับพวกเราที่ได้ร่วมกันกลมไม้กลมมือไม่ว่าเป็น พระเป็นโยมนะก็ทำกันด้วยความเต็มอกเต็มใจนะก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนนะท่านก็ได้มอบหมายให้พวกเรานะได้ช่วยกันทำนะแม้ว่าท่านจะลาสังขาร น, นะจากไปแต่ในความรู้สึกของพวกเราทุกคนนะก็คงจะ มีความรู้สึกร่วมกันนะว่าหลวงพ่อยังไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่ในจิตใจของพวกเรานะเมื่อไรก็ตามที่เรากลับมารู้สึกตัวนั่นก็คือหลวงพ่อเขียนนะสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันนะว่าหลวงพ่อไม่ได้จากไปไหนแต่ผมเรือกทำเองเป็นบุญหูนะ ที่ได้ยินเรื่องราวการจากไปของหลวงพ่อคำเขียนนะท่านจากไปด้วยความสงบนะแล้วก็ย้อนล้ำลึกไปถึงสมัยหลวงพ่อเทียนได้ยินจากปากคำของคนที่อยู่ใกล้ชิดนะบอกว่าในช่วงที่หลวงพ่อเทียนจะสิ้นลมเนี่ยนะมีโยมคนหนึ่งชื่อโยมจำปานะเป็นคนที่ คอยทำอาหารส่งให้หลวงพ่อเทียนแล้วก็มาเล่าให้ฟังในช่วงที่ท่านจะสิ้นลมเนี่ยนะท่านมีสติสมบูรณ์มากนะท่านรู้หมดเลยว่าตอนนี้เนะท้ามันเย็นแล้วนะมันเย็นขึ้นมาเรื่อยๆมาถึงหัวเขา่านะมาถึงบั้นเอวนะและก่อนที่ท่านจะสิ้นลมเนี่ยท่านก็พูดเสียงค่อยๆโ ย, นะยมจำปาได้ยินบอกว่า ตั้งสติให้ดีนะพ่อจะไปแล้วแต่เสียงนี่เบามากนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงเห็นถึงความมีสตินะสมบูรณ์นะของครูบาอาจารย์นะที่ได้ผ่านการฝึกฝนนะทำให้ท่านสามารถที่จะละสังขารไปได้ด้วยความสงบนะซึ่ง ลงพ้อคำเขียนนะก็เช่นเดียวกันนะอย่างที่เราได้ยินได้ฟังจากท่านอาจารย์โน้ตนะแล้วก็อาจารย์ตุ้มนะเล่าให้พวกเราฟังนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยเราก็น้อมเอามาพิจารณาตัวเราว่าเราจะทำได้ไหมน้อนะถึงเวลานั้นก็ามาคิดถึงตัวเองเหมือนกันว่าเออแหม จะทำยังไงได้เนาะนจะเป็นอย่างนั้นได้นะมันก็เรียวกว่าเป็นความอยากเล็กๆนะซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้เราต้องไปสืบสาวนะแล้วไปดูาการดําเนินชีวิตของท่านนะว่าท่านผ่านอะไรมามันไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนักที่จะสามารถที่จะทําให้สงบอย่างนั้นได้นะการจากไปด้วยอาการที่สงบมีสติสมบูรณ์ นะตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ได้ไดผ่านการฝึกนะมาอย่างายาวนานนะตั้งแต่ไป เ, เรียนรู้กับหลวงพ่อเทียนนะแล้วก็ฝึกอย่างจริงจังนะไม่ได้ทำเล่นๆไม่ได้ทำเรื่อยๆ อ, อะไรอย่างนั้นนะท่านก็ทุ่มเวลาให้กับเรื่องนี้จริงจัง นะซึ่งเท่าที่ได้ยินได้ฟังท่านใช้เวลาประมาณสองปี8เดือนนะท่านก็เข้าใจทั้งระบบนะจนถึงกับขนาที่ว่าท่านก็มีความรู้สึกว่าตัวท่านเองนั้นเป็นอิสระจากความทุกข์ไดนะ้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งทีเ่เป็นการยืนยันหรือเป็นการพิสูจนะ์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ที่บอกว่าสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่เป็นตำนานมันไม่ใช่ เ, เรื่องเล่าที่เราได้ยินได้ฟังมานาสองพกว่าปีาการที่มีครูบาอาจารย์น่ะได้พูดให้ฟังนะได้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นและเย็นให้สัมผัสต ร, ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการทำให้เรามีความเห็นจริงนะ เห็นจริงทีนี้เมื่อเห็นจริงแล้วมันก็เกิดศรัทธานะเกิดความ เ, าเชื่อมั่นนะที่จะประพฤติปฏิบัตนะิตามสิ่งที่พุทธองค์ได้ไดกล่าวได้สอนไว้นะซึ่งภาษาในยุคสมัยก่อนเราอาจจะฟังไม่ค่อยชัดเจนนักนะทีนี้พอมาถึงรุ่นนี้นะครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็ มาพูดด้วยภาษาที่เราฟังแล้วรู้เรื่องนะแล้วก็ท่านก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นจริงๆนะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังอิริยาอาการที่เราได้สัมผัสใกล้ชิดกับท่านนะตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความศรัทธาเกิดความชื่นชมนะเกิดมีกำลังใจนะแต่ทีนี้เราเพียงแค่ชื่นชม มีศรัทธาเท่านั้นเนี่ยมันก็ยังไม่พอนะเราก็ต้องใช้ความเพียรความพยายามนาะที่จะทำลงไปนะด้วยการทำตามที่ท่านได้สอนได้พูดได้บอกนะซึ่งหลักใหญ่ๆห่ก็คือการที่เรากลับมารู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวเนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญนะไม่ว่าจะทำในรูปแบบนอกรูปแบบนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ ทั้งหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนนเะท่าที่ตัวกระผมนันตมาได้ยินท่านก็พูดแต่เรื่องนี้นะแล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็ทําให้เรามีความมั่นใจว่าอืมมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําลงไปนะเมื่อเรามีความเชื่อมีความศรัทธาและมีความเพียรพยายามทําลงไปแน่นอนมันก็มีอุปสรรคอะนะ ที่จะเจอเช่นความงา่วงเหงานอนความเบื่อน่ายนะความไม่สบายนะความฟุ้งซ่านนะพวกนี้ก็เป็นเป็นเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะเป็นธรรมะที่เข า, าแสดงให้ดูเพราะฉะนั้นตรงนี้ละเราจะได้เรียนรู้กันการจากไปของหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยตัวขพนฤธามาเองก็มีความรู้สึกเหมือนเป็นข้อสอบโจทย์ใหญ่ นะสำหรับพวกเราหลายคนนะบางคนอาจจะยังทำใจไม่ไดนะ้ก็รู้สึกเสียใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอวบนะบางคนก็อาจจะตกใจคาดไม่ถึงนะตัวกระผมนิทมาเองนะเมื่อได้ยินข่าวครั้งแรกก็รู้สึกโงคาดไม่ถึงเลยนะท่านอาจารย์ลาได้โทรศัพท์ไปแจ้งไอซากนะ ใ, ในวันเสาร์ที่23 ในเวลาประมาณตีห้กว่านะซึ่งตรงนั้นเราก็ก็ดีได้กลับมารู้สึกตัวนะมาดูที่ใจของเรานะว่าเออเรายัางไงบ้างนะก็รู้สึกก็มีความรู้สึกนะเสียดายนะว่าโอ้ท่านมาด่วนจากไปนะเราไม่ทันได้ไปดูแลท่านเลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็รู้สึกไม่ค่ยอยสบายใจนักนะแล้วก็ต้องขอ ขอบคุณอนุโมทนานกับพระที่ได้ดูแลน้าหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ร่วมกันเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่การจากไปของหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยที่บอกว่าเป็นโจทย์ใหญ่เนี่ยมันก็เป็นการที่จะทำให้เราเนี่ยกลับมาดูใจของเราบางคนสติยังไม่ได้ฝึกฝนอย่างดี ก็จะกระทบ ก, กระเทือนใจมีความเศร้าโศกเสียใจน่รู้สึกอะไรอวรน่รแต่คนที่ได้ฝึกสติมาพอสมควรพอที่จะพึ่งตัวเองได้น่ก็จะมีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ได้นํามาพิจารณากับตัวเราเอง่ว่าสักวันหนึ่งน่เราก็ต้องไปเหมือนกันแต่ว่าจะไปอย่างไง นะซึ่งหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมให้เราดูเหมือนกันว่าการไปอย่างงดงามหมดจดงดงามเนี่ยมันทํำยังไงนะซิ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราคงจะนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วนะสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อพยายามพร่ำสอนบอกพวกเรานะกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะนิ่งนอนใจอยู่เฉยไม่ได้แล้นะถ้าเรา ปล่อยชีวิตของเราไปตามสบายๆนะเหมือนอย่างที่เราเคยเป็นไปเนี่ยนะพอถึงเวลานั้นนะเวลาที่เราจะต้องสิ้นลมเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะขณะที่หลวงพ่อเอ่อท่านจากเราไปเราก็ยังเศเร้าสเถือนใจทีนี้ถ้ามันเกิดกับตัวเราเองขึ้นมาเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันนะมันจะเศร้าสเถือนใจขนาดไหน แล้วมันจะไปอย่างสงบหรือไม่นาะนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาเหมือนกันนะเพราะนั้นตรงนี้จึงบอกว่าเป็นเป็นข้อสอบใหญ่เป็นโจทย์ใหญ่นะแล้วก็การที่เราได้มาร่วมกันนะจัดงานให้กับหลวงพ่อนะถึง15วันวันนี้ก็เป็นวันที่น่าจะเป็นวันที่10 1นะหรือ11แล้วเนี่ยนะซึ่งในช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ย นะก็เป็นการทดสอบนะกําลังกายกําลังใจของเราเมอนกันนะต้องเหน็ดเหนื่อยกันนะอาจจะต้องอดหลับอดนอนกันนะแต่ตรงนี้เราก็มีใจนะพร้อมที่จะทำให้ภารกิจนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดีนะร่วมแรงร่วมใจกันนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการทดสอบเราเหมือนกันนะกําลังใจกําลังกายของเราเป็นยังไง เพราะฉะนั้นถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่มาให้เราเรียนรู้นะอย่างที่หลวงพ่อท่านได้พร่ำสอนบอกพวกเรานะทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้กลับมารู้สึกตัวให้รู้เท่ารู้ทันนะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งความรู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวเนี่ยให้ทำบ่อยๆนะจนเป็นนิสัยเป็นความเคยชินนะเรียกว่าเป็นที่อยู่เป็นที่พักได้ นะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราทําบ่อยๆนะมันจะเกิดความเป็นเองนะซึ่งเป็นเรื่องที่จะไม่ต้องใช้ความคิดนะและความเป็นปกติของใจเนี่ยมันก็จะแสดงตัวของมันเป็นการคืนสู่ธรรมชาติของใจนะการคืนสู่ธรรมชาติของใจเนี่ยนะมันเป็นที่พักนะที่พักให้กับเอ่อพวกเรา ถ้าเราไม่มีที่พักตรงนี้เราไม่สามารถที่จะกลับเคืนสู่ความเป็นธรรมชาติตรงนี้ได้เนี่ยนะเราก็จะเหน็ดเหนื่อยนะเราก็จะทุกข์นะเราก็จะอะไรอวรนะเราก็รู้สึกห่วยหานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความทุกข์นะเป็นสิ่งที่จะมากลัดก่อนจิตใจของเรานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราหน้าที่จะ ได้ใช้สิ่งที่หลวงพ่อได้พูดได้บอกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมาประพฤติปฏิบัตินะอย่าได้เพียงแต่ฟังแล้วก็ผ่านหูซ้ายทะลุอูขวานะฟังแล้วก็ชื่นชมว่าโอ้ดีจังเลยท่านพูดดีจังเลยนะแล้วก็ชื่นชมในจริยวัฒนของท่านนะซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นเรื่องดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ให้มันดีกว่านั้นอีกก็คือเอาสิ่งที่ท่านพูดมาทา ได้เห็นสิ่งที่ท่านทำเราก็เอามาทำนะให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งตรงนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนยังอยู่ในใจเราท่านไม่ได้ไปไหนนะและยังชอบใจสิ่งที่ท่านได้พูดเขียนเอาไว้นะว่าธาตุขันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วนะมันมันมันต้องมันต้องไปมันต้องแตกไปแต่ความเป็นกัลยาณมิตร จะอยู่ตลอดไปนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรายัางได้ยิงอยู่ในในหูนะแล้วก็อยู่ในใจของเรานะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราได้ได้น้อมนําเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นนะในระยะสิบกว่าวันนี้นะมาเป็นเครื่องเตือนใจนะให้เราได้นํามาประพฤติปฏิบัตินะอย่าได้เพียงแต่ ชื่นชมยินดีหรืออะไรอวร น, นะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้หรอกนะเพียงแต่ว่าเราแปลเปลี่ยนอารมณ์เหล่านี้นะไปสู่การกลับมารู้สึกตัวหรือความรู้สึกตัวนะตรงนี้ก็จะทําให้หลวงพ่อคําเขียนเนี่ยยังอยู่ในใจเราตลอดไปนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้นะ ในส่วนของที่ตัวผมนิธิมาเองน่าได้มีโอกาสสัมผัสกับหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยนะถ้าย้อนหลังไปก็สัก30กว่าปีที่แล้วนะได้ไพบท่านครั้งแรกเนี่ยที่วัดสนามในนะตอนนั้นไป เ, เรียนรู้นะวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนี่กับหลวงพ่อเทียนนะซึ่งก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าตัวผมนิธิมาเองฟังหลวงพ่อเทียนไม่ค่อยรู้เรื่อง นะเพราะว่าหลวงพ่อเทียนท่านจะพูดภาษาอีสานจะเป็นส่วนใหญ่เนาะภาษากลางเนี่ยท่านพูดได้แต่ว่าจํากัดมากแล้วก็ก่อนหน้าที่จะไปเรียนวิธีฝึกเจริญสติกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็เคยฝึกอาณาปณสติมาก่อนนะจากพี่สุภวันนะซึ่งผลจากการฝึกตรงนั้นเนี่ยก็ทําให้เรามีความสงบนะมีความปลอดโปร่งโล่งสบาย ในขณะที่เรานั่งนะแล้วก็ได้สัมผัสกับความความรู้สึกซาบซ่านปิตนะิอิ่มอกอิ่มใจนะเป็นครั้งแรกที่ได้ได้สัมผัสแล้วก็ติดอกติดใจในความสงบ ต, ตรงนั้นเรื่อยมาแต่ก็สังเกตว่าความสงบที่เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งเนี่ยมันมัน บางทีมันก็ติดตัวไปขนาดที่เราลืมตาไปแต่ว่ามันก็อยู่ได้ไม่นานเราไปใช้ชีวิตประจำวันมันก็คลายไปหายไปแซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าความโกรธก็ยังเหมือนเดิมความหงุดหงิดฟุ้งซ่านก็ยังเหมือนเดิมนะมันเพียงแต่ว่าเออสบายชั่วคราวเท่านั้นเองะซึ่งตรงนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามพยายามทำให้มันมีเมื่อเรามีเวลาเราก็จะนั่งหลับตา แล้วก็ใช้ลมหายใจนะซึ่งก็ทำให้เราได้พักผ่อนะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไดนะ้เมื่อได้มาเรียนรู้กับหลวงพ่อเทียนนะก็ได้เรียนรู้วิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่เราได้ยินในฟังจากหลวงพ่อเทียนเราเอาจจะฟังผิดก็ได้นะคือไปฟังและเข้าใจว่าหลวงพ่อให้เราดูความคิดเพราะว่าท่านพูดถึงความคิดบ่อยมาก ความคิดกับความรู้สึกตัวเนี่ยบอกให้ดูความคิดนะมันคิดอะไรขึ้นมาให้รู้ทันมันนะแล้วเราก็ไปต่อเสริมเติมเอาเองว่าเออดูว่ามันคิดอะไรขึ้นมามันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันดําเนินไปอย่างไรมันจบไปอย่างไรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยแรกๆกเนี่ยก็ทําไปอย่างเนี้ยนะก็คือดูความคิดคิดไปเรื่อยเรื่องนี้จบคิดเรื่องใหม่คิดเรื่อง ใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆก็มีอาการมึนๆ น, น, นะมึนๆ ง, งงๆบางทีก็รู้สึกตึงเครียดขึ้นมาเพราะว่าเราไปจ้องที่จะดูความคิดพอดีมีอยู่ช่วงหนึ่งนะหลวงพ่อเทียนจัดปฏิบัติธรรมแล้วก็นิ ม, มนต์หลวงพ่อคำเขียนไปช่วยนะที่วัดสนามในนะตัวพุนริพาเองก็ได้มีโอกาสไป เ, เรียนถามท่าน ครั้งแรกที่พบท่านเนี่ยเรารู้สึกประทับใจในหลวงพ่อคาเขียนนะท่านสุขุมเยือกเย็นทั้งกริยาการการเดินการนั่งการขบฉันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจนะที่เราเห็นได้ด้วยตานะยังไม่ได้พูดคุยเลยนะนะเมื่อได้เข้าไปรู้สึกประทับใจตรงนี้ก็ เ, เกิดความศรัทธาแล้วก็ เข้าไปเรียนสอบถามท่า น, นาในเรื่องอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการที่เราไปดูความคิดมันเกิดอย่างไงมันไปอย่างไงดูมันตลอดเวลาแล้วมันทำให้เกิดความมึนงงขึ้นมาตึงเครียดขึ้นมาเนี่ยมันจะแก้ยังไงซึ่งตรงนี้หลวงพ่อคําเขียนก็บอกว่าโอ้โหอย่าเพิ่งไปดูมันความคิดนะให้มารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อน นะมันคิดอะไรก็อย่าไปสนใจทิ้งไปเลยกลับมารู้สึกตัวที่กายเนี่ยบ่อยๆนะเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยให้พยายามที่จะมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนความคิดอย่าไปสนใจมันอารมณ์ต่างๆอย่าไปสนใจมันไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจาร์ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไงมันเป็นไปอย่างไงมันจะดับยังไงไม่ต้องไปสนใจกลับมารู้สึกตัวที่กายก่อน จากคำแนะนำตรงนี้นี่แหละนะตัวผมุมมนิธรรมเองก็เอาไปทล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะเรามันประเภทคิดมากฮนะ <c oughs> ไม่เคยเชื่ออะไรง่ายๆใช้เวลาเป็นวันไว้กันนะเมื่อไปทาแล้วเออมันคลายได้จริงๆคือเราไม่ได้ไปไปจ่องไปดูไปจม อ, อยู่กับความคิดเนี่ยนะ <c oughs> เรามาสัมผัสรู้เรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยใจมันก็ หลุดไปจากความคิดนะ่นะซึ่งตรงนั้นนะมันก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะที่เรามองเห็นเออมันมีทางนี้เนาะนะซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเห็นละา อ, อ๋อมันมีวิธีการที่จะทำอย่างนี้นะซึ่งจริงๆหลวงพ่อเทียนนั้นก็พูดเหมือนกันนะว่าให้เรามีสติที่กายเคลื่อนไหวแต่ว่าเราฟังเนี่ยเราไม่ได้จับประเด็นตรงนี้เราไปจาว่าเป็นความคิดเพราะว่าเคยได้ยินหลวงพ่อเทียนนั่นพูดว่า พวกนักศึกษาเรียนระดับปริญญานี่เป็นปัญญาชนแล้วก็ฉะนั้นไปดูความคิดเลยนะซึ่งอันนี้เราอาจจะฟังผิดก็ได้นะแต่หลวงพ่อคำเขียนเนี่ยช่วยมาช่วยแก้อารมณ์ให้ะซึ่งตรงนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนเมื่อมาทำตรงนี้บ่อยๆมันจะไปเห็นความคิดเองแล้วมันจะปล่อยวางความคิดไปเอง โดยที่เราไม่ต้องเจตนาที่จะไปปล่อยวางนะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นทําอย่างเดียวมันก็เกิดผลหลายอย่างนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพอมองเห็นได้แต่ก็ยังว่าเนาะเราเห็นแล้วแต่เราก็ยังไม่ตระหนักยังไม่เห็นความสําคัญเท่าไหร่นะก็ยังบางทีก็ทําบ้างไม่ทําบ้างนะก็เนื่องจากเรายังเห็นความสําคัญของงาน อาชีพที่เรารับผิดชอบอยู่แล้วก็ทําในช่วงที่เราอยู่ว่างจากงานแล้วมาอยู่วัดพอกลับไปเนี่ยก็ทําบ้างไม่ทําบ้างนะเนาะเพราะว่าภารกิจงานมันลัดตัวพอสมควรนะก็รู้บ้างหลงบ้างแต่ก็หาเวลานะที่จะมาอยู่กับหลวงพ่อเทียนนะช่วงแรกๆนี่ก็ใส่ไปวัดสนามนายบ่อยหน่อย ปีหสองครั้งสาครั้งครั้งละสวันหนะวัน7วันแล้วก็ไปทําอย่างเอาจริงเอาจังมานะซึ่งตรงนั้นก็ทําให้เราได้ทดทวนนะสิ่งที่หลวงพ่อคาเขียนได้สอนหลวงปู่เทียนได้สอนนะก็ทําให้เรามีกาลังใจที่ทําขึ้นมาแล้วกลับมาสู่งานนะเข้ามาสู่โลกแล้วก็ทำนะซึ่งก็ถือว่าลมลุกคุกคานนะไม่ใช่ว่าจะสําเร็จทีเดียว นะ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยล้มลุกคุกคานนะแต่ก็พยายามที่จะทำเรื่อยไปนะจนได้มีโอกาสนะเมื่อ3ปีที่แล้วนะท่านจันทรสงสินก็พยายามชวนนะให้มาบวชนะจังหวะนั้นพอดีเลยนะมันมีโครงกา ร, กรเกษียณก่อนกำหนดนะก็คิดไว้แล้วนะว่าจะมาบวดอยู่กับหลวงพ่อคำเกียนนะแล้วก็หลวงพ่อเทียนนั้นสิ้นไปนานแล้ว นะก็เลยถือโอกาสเนี้ยได้มาใช้ชีวิตนะอยู่ที่วัดป่าสุกโตระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเจริญสติมีการมีโอกาสนะที่ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคำเขียนก็ดนะีทำให้เรามีความรู้สึกเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เอามาใชนะ้กับตัวเองได้มากขึ้น นะก็รู้สึกเป็นอิสระพอสมควรกนะ็แต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดนะของสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดไว้หรือหลวงพ่อคำเกียรพูดไวนะ้ก็มีความเชื่อมั่นนะแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ก้าวเดินต่อไปอย่างอย่างมั่นใจนะในสิ่งที่ท่านได้พูดในสิ่งที่ท่านได้ทำนะแล้วก็เราก็จำเอามาปฏิบัติ นะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นบวนวุญวาสนาของเรานะที่ได้มีโอกาสมาปวดอยู่กับท่านนะแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตนะจนสุดท้ายท่านเอ่อจากพวกเราไปนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นบวนวุญวาสนาของตัวกระผมนิตมาเองนะแล้วก็จะได้เอ่อก้าวเดินต่อไปนะอย่างมั่นใจ เพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเราทุกคนนะคงจะได้รับนะอนิสงนะ์จากการที่หลวงพ่อได้พูดให้เราฟังได้ทาให้เราดูนะแล้วก็เราก็น้อมมาปฏิบัตินะมันก็จะเกิดผลขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้เพราะว่าเรามีเวลาเรามีโอกาส นะโดยเฉพาะเรามาอยู่วัดป่าสุขโ ต, โตเนี่ยมีโอกาสในการที่เราจะฝึกปฏิบัติเต็มที่เลยนะก็หวังว่าพวกเราจะได้ใช้เวลาเนี่ยให้เกิดประโยชนนะ์ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะเพื่อเป็นการสืบต่อสารต่อนะในสิ่งที่หลวงพ่อเทียนได้ค้นพบไว้นะซึ่งก็เป็นสิ่งเดียวกับที่พุทธองค์ได้กล่าวได้ค้นพบ นะและก็ได้ถ่ายทอดมาปัจนก็ถือว่าเป็นการสืบทอดนะพระพุทธศาสนานะด้วยการประพฤติปฏิบัติซึ่งการสืบทอดอย่างนีนะ้น่าจะเป็นการสืบทอดที่มันคงแน่นอนนาะมากกว่าพิธีรีตองนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ช่วยกันนะในการที่จะสืบต่อพระพุทธศาสนานะสืบต่อเส้นทาง นะที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกขนะ์ตามที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้บอกได้สอนนะแล้วก็เราก็จะได้สืบทอดต่อไปในอนุชนคนรุ่นหลังนะซึ่งตัวปุิตมาเองก็คิดว่าสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนได้ทำเอาไว้เนี่ยก็จะอยู่ไปนะไม่น้อยกว่า50ปีนะที่บอกว่าไม่น้อยกว่า50ปีเพราะว่าหลวงพ่อเทียนนี่ ก็ถือว่า50ปีกว่าแล้วนะก็ถือว่าจะสืบต่อไปเป็นรวมกันก็เป็นน่าจะเป็น100ปีได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนพวกเราได้น้อมนําเอาทำนะที่ท่านได้พูดเอาไว้มาทําให้เกิดผลกับตัวเองขึ้นมาเนาะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างเองเอาคุณของพระศรีรัตนตรัยนะคุณของครูบาอาจารย์ นะมาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจนะให้ทุกท่านได้กลับมารู้สึกตัวนะเมื่ออะไรเกิดขึ้นให้กลับมารู้สึกตัวตรงนี้จะเป็นประทีปนะที่จะนำทางนะไปสู่ทางพ้นทุกขนะ์ที่พุทธองค์ได้กล่าวไวนะ้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วและเป็นสิ่งที่เป็นจริงนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเอง ขออนุโมทนานทุกท่านเจริญพร